สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองค้อเก้าสิบเอ็ดคอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่หกสิบหกขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องคำอุปมาในมัทธิวบทที่สิบดที่เกี่ยวข้องกับการโปรดยกบาปผิด ซึ่งเป็นคําอธิษฐานที่พีเยชูทรงตรัสสอนเราพี่น้องครับผมจะอ่านและอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ามัทธิวบทที่ส8บปดข้อที่ยี่สิบสามเหตุฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับทาสเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้หนึ่งหมื่นตะลันมาเฝ้า ท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ท้าลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแต่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิน้นเจ้าองค์นั้นมีพระไถยเมตตาโปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่ท้าผู้นั้นออกไป พบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาตด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดนาริอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาตคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาตลูกหนี้นั้นไปจําจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นฝ่ายพวกเพื่อนทาตเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้น ก็พากันสลดใจยิ่งนักจึงนำเหตุการ์ทั้งปวงไปกราบทูลว่าไอ้ข้าชาิชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาดด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองมีใช่หรือแล้วทาตองค์นั้นกิ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางเรื่องครับที่มาที่ไปของอุ ป, ปมาเรื่องนี้ก็คือเปโตรนั้นได้ถามพระเยซูว่าหากพี่น้องของข้าพรงกระทำผิดต่อข้าพรงข้าพรงจะต้องยกโทษให้เขากี่ครั้งพระเยซูตอบชัดเจนเลยครับว่าเราไม่ได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งแต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบ นั่นหมายความว่าการอภัยที่ไม่มีที่ชื่นสุดที่น้องครับธาตุที่ได้อ่านไปที่ได้พบกันในคำอุบายนี้เป็นธาตที่ตกอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุดครับเพราะว่าเงินหนึ่งหมืนตะลันนะคเป็นจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลยากแก่การคำนวณผมขอยกตัวอย่างครับเงินหนึ่งตะลันนั้นมีค่าจ้างเท่ากับมีค่าเท่ากับค่าจ้างแรงงานถึง หกพันวันครับพี่น้องหกพันวันนะครับนั่นหมายความว่าทาสคนนี้จะต้องทํางานสัปดาห์ละหกวันเป็นเวลาเป็นเวลาสิบเก้าปีครับสิบเก้าปีเพื่อที่จะให้ได้เงินหนึ่งตะลันนะครับและคนคนนี้เป็นหนี้ถึงหนึ่งหมื่นตะลันอุปมาเรื่องนี้พระเยซูยกว่าเป็นหนี้ถึงหมื่นตะลันมีความหมายว่าไม่มีทางใช้หนี้หมดครับ ใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับถ้าคนนี้เป็นหนี้มากมายอย่างงี้ได้ยังไงก็เกิดจากการยักยอกจากคลังสมบัติของกษัตริย์หรืออาจจะสูญไปกับการลงทุนที่ไม่ดีนะครับคนที่มีเงินก็อย่านึกว่าเงินจะอยู่กับเราได้ตลอดไปนะครับเขาไม่มีอะไรที่จะมาชดใช้ให้กับนายครับท่าคนนี้ ถ้าเราคิดไม่ออกนะครับว่าเขาจะเอาของมากมายเงินมากมายขนาดนั้นมาได้ยังไงเราลองคิดดูนะครับว่าเขาทำอะไรถึงได้สูญเสียทรัพย์สินไปหมดอาจจะไม่ได้ครับถูกขโมยถูกโกงหรือเป็นการลงทุนที่โง่เขานะครับแต่เป็นการโง่เขาที่สูญเสียไปทั้งหมดแต่ถ้าคนนั้นวิงวอนครับวิงวอนวิงวอนนายของเขาว่าไงครับบอกว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้นี้ จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าเกิดคิดตรงไปตรงมานะครับท่าคนเนี้โง่ามากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งร้อยเก้าสปีและเอาทุกอย่างที่เขาหาได้มาชดใช้นี้แสดงว่าท่าคนนี้ถ้าหากว่าไม่โง่เขาฉลาดมากครับแต่การฉลาดของเขาคือเขาคิดว่าผลัดไว้ก่อนเขาจะสามารถหาเงินหนึ่งหมืนตะลันได้มาใช้นี้พี่น้องครับคนที่สามารถคิดอย่างนี้ ก็คือคนที่ฉลาดครับผมว่าไม่ใช่เป็นคนที่โง่เขลาแต่ไม่ว่าเราจะมองมุมใดก็ตามครับทาสคนนี้นะครับตอบสนองการตอบสนองต่อบุญคุณของนายเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าคิดและน่านํา ม, มาเป็นประเด็นเขาตอบสนองต่อบุญคุณของนายอย่างไรครับเพื่อนพีได้กล่าวว่าทาสคนนี้หลังจากที่ได้กราบลงอ้อนวอนนายของเขานะครับ แล้วเขาออกไปเขาก็ไปพบกับคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนทาตด้วยกันเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดนารีอันนะครับแสดงว่าหลังจากที่เจ้านายองค์นั้นเนี่ยมีพระทัยเมตายกหนี้ปล่อยตัวเขาไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆใช่ไหมครับแต่แต่ทาตคนนั้นได้ทํากับคนอื่นยังไงบ้างทาตคนเดียวกันเนี่ยครับออกไปพบกับคนหนึ่งแล้วก็ คนคนนั้นเป็นหนี้เขาอยู่แค่แรงงานสามเดือนสามเดือนซึ่งเป็นเ อ, อ เ, ลเล็กน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเงินหนึ่งหมืนตะลันที่เขาติดเจ้านายเขาอยู่ทาตคนนี้นะครับซึ่งได้รับการยกหนี้ถึงหนึ่งหมืนตะลันไปจับท่าอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันแล้วบอกว่าเอ็งจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนท่าตคนนั้นก็กราบลงอ้อนวอนขอผลัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะจัดให้ตอบเหมือนกันเลยครับ แต่ทาตที่ได้รับบุญคุณได้รับการยกหนี้กลับเอ า, าทาตลูกหนี้ของตัวเองไปจำจองไว้เมื่อเพื่อนาทาตเห็นดังนั้นเขาก็นำความไปกราบทูลเจ้านายองนั้นเจ้านายองนั้นท่านจึงเรียกธาตคนนี้มาว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราโปรดยกหนี้ให้เจ้าแล้วเพราะเจ้าได้อ้อนวอนเราเราควรจะเมตตาเจ้าและเจ้าควรจะเมตตาเพื่อนของเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ พี่น้องครับในที่สุดแล้วอุปมาเรื่องนี้จบด้วยความเศร้าครับก็คือเจ้าองค์นั้นทรงกริ้วและมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานพี่น้องลองดูนะครับลองเดาดูสิครับว่าเจ้าองค์นี้หมายถึงใครครับเจ้านายผู้นี้หมายถึงใครครับหมายถึงพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับในขับอุปมานี้ผมอยากจะพูดสั้นๆนะครับว่าพระเจ้าจะทรงกระทําเช่นนั้นแก่เราเหมือนกันถ้าเราไม่ยกโทษ แก่ผู้ที่ทําผิดต่อเราคาอุปมานี้เป็นภาพของบุคคลที่ต้องการรับการยกโทษจากพระเจ้าทั้งหมดเรามีบาปหนักมากมายใช้นี่ไม่หมดครับใช้นี่ตัวเองไม่หมดแน่นอนแต่พระเจ้าใช้นี่ให้พระเจ้ายกนี่ให้พระเจ้าส่งพระเยซูมาเป็นผู้ที่ไถ่นี่บาปของเราและเราจะต้องให้อภัยคนอื่นๆต่อไป เราสามารถนำคำอุปมานี้มาประยุกต์ใช้กับคนที่ไม่ได้รับความรอดอย่างแท้จริงก็คือพระเจ้านั้นทรงชาระฆ่าไถยของเราและทรงโปรดยกบาปของเรานะครับวิญญาณที่ขาดความเมตตาปราณีไม่ยอมให้อภยัยเป็นวิญญาณที่จะไม่ได้รับการให้อภยัยนะครับดังนั้นเขาจึงต้องถูกถักสินให้ชดใช้หนี้ของเขาเองตลอดชั่วนิจนิรันดร พี่น้องครับเราสาวกก็รวมอยู่ในหมู่ฝูงชนที่พระเยซูทรงสั่งสอนด้วยนะครับและขอบข่ายของหลักคําสอนนี้ได้ครอบคลุมไปถึงผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้อภัยพี่น้องครับผมขอเนีนนะครับว่าหลักคําสอนนี้ครอบคลุมไปมาถึงพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อด้วยและเป็นผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้อภัยเราเจอหนักครับพี่น้องครับหากว่าเราเป็นผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้อภัยและไร้ความเมตตาปราณี ก็จะนำไปสู่การรับโทษด้วยเหมือนกันผู้ที่ไม่ยอมให้อภัยคนอื่นก็ได้ทำให้สะพานที่ตนเองต้องเดินข้ามนั้นหักไปเสียแล้วนั่นคือคำพูดของเฮอร์เบิร์ตนะครับโลดเฮอร์เบิร์ตกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าใครก็ตามที่ไม่ยอมให้อภัยคนอื่นคนคนนั้นก็ได้ทำให้สะพานที่ตัวเองต้องเดินข้ามหักไปเสียแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าจุดไฟเผาบ้านตัวเอง ครับจุดไฟเผาสะพานตัวเองที่เราต้องเดินข้ามไปเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเดินข้ามไปถึงอีกฝั่งได้ซึ่งเป็นฝั่งเรียกว่าแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับขอพวกเราที่จะยอมซึ่งกันและกันครับยอมให้อภัยต่อกันและกันแต่เพื่อที่ชีวิตนี้กันของเรานั้นจะเป็นมีหลักประกันแห่งการยกโทษให้อภัยจากพระบิดาอาเมน